วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2539นับเป็นครั้งที่5ของการบรรยายความรู้เนื่องด้วยพระไตรปิฎกในหัวข้อเรื่องการบรรลุธรรมของพระยาบุคคลบัด น, นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วใครขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตตาศรัทธาได้บรรยายต่อ ในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะท่านสาธุชนผู้ใครธรรมที่เคารพวันนี้จะนำเอาเรื่องราวของพระเถระที่ปรากฏอยู่ในเถระคาถาขอให้ท่านได้ใช้เอกสารชุดที่สองและดูในหน้าที่หนึ่งเป็นลำดับไปในเอกสารนั้นก็ปรากฏแต่เพียงชื่อของพระเถระ ตามลำดับเท่านั้นก็จะได้อธิบายประวัติโดยสังเกตแล้วก็ให้ข้อสังเกตบางอย่างที่ควรจะสนใจในแง่ของการปฏิบัติธรรมองค์แรกนั้นมีชื่อว่าพระสุภูติก็คือพระสุภูติเถระท่านสุภูตินั้น ถ้าหากว่ากล่าวโดยชื่อของท่านน่ะสุภูตินั้นแปลว่าผู้มีรูปงามน่าจเจริญตาและมีคุณความดีน่าจเจริญใจก็หมายความว่างามนั่นแหละแปลว่างามสุภูติเนี่แปลว่าผู้มีความงดงามทั้งในส่วนของศรีระคือศรีระวันณะและส่วนของจิตใจเรียกว่าคุณนวันนะชื่อของท่านจึงปรากฏว่าสุภูติ อาท่านผุนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีเมืองของพระเจ้าปเสธิโกศลเป็นลูกของเศรษฐีครับพ่อนั้นบอกชื่อไว้ด้วยว่าชื่อว่าท่านสุโ ม, มนและถ้าจะเอ่ยให้รู้จักชัดแล้วก็จำฝังใจได้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะต้องบอกว่าท่านเป็นน้องชายของเศรษฐีบุคคลสาคัญที่สุดของเมืองสาวัตถี คือน้องชายของท่านอนาถาบินติกาเศรษฐีซึ่งเป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาท่านสุภูตินั่นก็มีฐานะร่ำรวยเรียกว่าเป็นกุดุมพีคนหนึ่งของเมืองนี้ เ, เมื่อพี่ชายเกืออนาถาบินติกาเศรษฐีทำพิธีถวายพระเชตวันแด่พระผู้มีพระภาคหลังอยากที่สร้างเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จมา มหาชนเป็นอันมากได้ไปร่วมงานสำคัญในครั้งนี้สุภูติน้องชายก็ได้ไปด้วยเมื่อได้ไปก็ได้ฟังเทศฟังธรรมเห็นพระสงฆ์เห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสและความเลื่อมใสนั้นเป็นความเลื่อมใสถึงขั้นทาให้ท่านตัดสินใจบวชละทิ้งกองโภคะออกบวชเป็นประสงค์ในพระพุทธศาสนา และเมื่อท่านได้บวชแล้วนั้นปรากฏว่าท่านสุภูตินั้นท่านเก่งกรรมฐานอันหนึ่งเป็นพิเศษเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นบุคลิกของท่านเลยทีเดียวคือท่านเป็นคนมีเมตตาสูงเมื่อได้บวชท่านก็ได้เจริญเมตตาสมาธิกรรมฐานสี่สิบนั้นท่านทําเมตตาพรหมวิหารได้รับความสําเร็จสูงจนกระทั่งท่านได้ฌานได้ฌานด้วยการเจริญเมตตา เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตต์เมตตาเจโตวิมุตต์ก็คือฌานหรือสมาธิที่เป็นอั ป, ปนาที่บุคคลสําเร็จได้ด้วยการแผ่เมตตาและท่านได้ใช้เมตตาฌานนี่แหละเป็นบาตรเป็นบาตรต่อวิปัสสนากรรมฐานและได้เป็นพระอรหันต์ด้วยเมตตาฌานเป็นบาตร เราจึงได้ความชัดเจนว่าท่านสุภูตินั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยความเป็นอุปตโตภาคาวิมุตตคือเป็นชา ล, ลาพีและฌานของท่านมีเมตตาเป็นอารมณ์มีเมตตาเป็นอารมณ์จึงเป็นลักษณะพิเศษของท่านอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นท่านสุภูติทุกๆวันเนี่ยท่านจะแผ่เมตตา แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนที่ท่านจะออกไปบินธบาทก็ดีแลหววางบินธบาทแวะเข้าบ้านโยมคนนั้นออกจากบ้านโยมหนึ่งเข้าไปสู่บ้านโยมหนึ่งทั้งก่อนเข้าเข้าหมายถึงเข้าไปรับบาทและรับบาทเสร็จแล้วท่านจะกาหนดจิตจเจริญเมตตาเจโตวีมุตทั้ง เรียกว่าทั้งๆบินสบาทนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัต ส, สีของผู้ที่ทาําฌานจนเชี่าายวฌานแล้วก็ทาําฌานได้เหมือนชนิดที่เรียกว่าไม่ได้เป็นภาระหรือเป็นเรื่องเป็นพิธีรีตองใหญ่โตอะไรเลยที่ท่านทําอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าประการหนึ่งท่านมีความชํานาญในทางนี้ด้วยและเหตุผลอีกประการหนึ่งก็เพื่อที่จะเป็นการตอบแทนข้าวแดงแกงร้อนของโยมด้วยความตั้งจิตตั้งใจ คืออยากจะให้โยมนั้นได้รับอานิสง์จากการใส่บาตรกับท่านนั้นมากเท่าที่จะทําได้การที่ท่านได้ทําอย่างนี้แหละครับต่อมาพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงยกย่องท่านที่พระเชตวันให้เป็นที่ปรากฏแก่พุทธบริษัททั้งหลายว่าท่านสุภูตินั้นเป็นเอตทัะคะคือเป็นเลิศพิเศษกว่าภิกษุสงฆ์รูปอื่นในข้อที่ว่า เป็นบุคคลที่นับได้ว่าเป็นยอดแห่งทักษีเนยยะบุคคลที่ว่าเป็นยอดเนี่ยหมายถึง เ, เป็นผู้ที่เมื่อรับบาตจากใครแล้วท่านจะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้ด้วยวิธีการเข้าสมาบัติก็ได้รับยกย่องด้วยอำนาจของของเจตจํานงอันนี้ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าทําบุญกับคนอื่นหรือภิกษุรูปอื่นได้บุญน้อยหรอกครับทําคนอื่นก็ได้บุญมากกว่า ท่านก็ได้บางองค์นะฮะหรือในบางโอกาสแต่สําหรับกรณีของท่านเนี่ยยกย่องในข้อที่ว่าท่านเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นยอดกว่าใครคนอื่นทั้งหมดไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญคือเข้าสมาบัตรแล้วออกจากสมาบัตดก็เลยไปโปรโดโยมคนใดคร้าวคนนั้นก็เลยโชคดีไปแต่ท่านนะ่ะท่านจะทำโอกาสให้เป็นประโยชน์แก่คนที่ใส่บาตรแก่ท่าน เรียกว่าเสมอเหมือนกันหมดก็ว่าดได้ได้รับยกย่องอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเอเจนตะด้านนี้ก็เลยจะเล่าประวัติอดีตย้อนไปหน่อยนะฮะอาจจะพิสดารสักนิดหนึ่ง อ, อันนี้ก็เพื่อจะยืนยันว่าโดยธรรมดานี่ครับหลายๆองค์ที่อย่างกรณีของท่านสุภูติอนาถานั้นไม่ได้บวชเพราะว่าในอดีตนั้น สร้างสมเนกขมมะมาน้อยกว่าน้องชายคือท่านสุภูติท่านสุภูตินั้น เ, เล่าว่าเคยบวชมาหลายชาติบางชาติเนี่ยบวชต่อๆกันถึงห้าร้อยชาติในในคัมภีร์ระบุตัวเลขววาอย่างนั้นแล้วก็ได้ฌานไปเกิดในพรมโลกเนี่ยหลายครั้งหลายหนเดียวกันและในชาติสำคัญครั้งหนึ่งเนี่ยที่ได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่ท่านได้ ได้สร้างบารมีตอนนั้นเนี่ยท่านบวชเป็นดาบทชื่อวันนันทดาบทมีลูกศิษย์เป็นจํานวนมากอยู่ในป่าลึกแห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์หนึ่งคือพระปัตมุตตะพุทธเจ้าก็ได้เห็นอุปาเสัยของลูกศิษย์และของอาจารย์ดาบทคณะนี้จึงได้ทรงเสด็จไปสู่ที่นั้นให้เป็นที่ปรากฏแก่ต่างพวกดาบทนันทดาบทผู้เป็นอาจารย์<ม>เห็นเข้าก็เกิดความเลื่อมใส อ่าพระผู้มีพระภาคนั้นได้ทรงสําแดงตัวด้วยการเข้านิโรธสมาบัติสมาบัติให้เห็นนะฮะนั่งพูดง่ายว่านั่งตัวแข็งหเห็นดาบอดไปเห็นเขาก็ดูเรียกว่าตังกระหัวจดตาแล้วโดยโดยเฉพาะคนที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยแล้วไปเจอคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าเขาจะเขาจะตีค่าได้ใกล้เคียงนะฮะถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้บรรลุโลกุตละสมาบัติก็ตาม แต่ว่าตีฆ่าได้ใกล้เกลี้ยงก็เกิดความเลื่อนสายก็คิดว่ า, าจะเป็นโอกาสที่เราให้ได้ให้เราได้ทำบุญจึงได้เอาดอกไม้เนี่ยไปเกลี่ยเป็นอาสนะและทำฉัดกัน้นและตัวเองก็ยืนเฝ้าวัต น, นาการอยู่ที่นั่นตลอดเจวันจนกระทั่งพระผู้มีรภาคออกจากนิโรธสมาบัติเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติแล้วพวกลูกศิษย์ก็ห า, าผลมากลากไม้มาถวายให้ทรงขบฉัน พระผู้มีพรภาคพระองค์นั้นก็ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาผลปรากฏว่าลูกศิษย์ทั้งหมดนั้นบรรลุเป็นพระอระหันต์ไม่มีเหลือเลยบรรลุหมดเลยและทรงประทานเอหิพิกขูประสัมพทาแก่ภิกษุลูกศิษย์ก็หมายา็ว่าดาบทเหล่านั้นเนี่ยมีใบบรรลุอยู่องค์เดียวคืออาจารย์แต่ที่อาจารย์ไม่ได้บรรลุนั้นไม่ใช่เพราะเหตุผลว่ากิเลสหนากว่าลูกศิษย์แต่เพราะเหตุว่า ท่านสุภูตินั้นท่านยังไม่ปรารถนาจะบรรุตอนนี้ท่านปรารถนาจะเป็นพระสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางทักษีเนยะบุคคลและท่านก็ได้มาเป็นสมปรารถนาท่านในสมัยพุทธเจ้าของเราทีนี้เล่าต่ออีกนิดนะอาจะยืดยาวไปหน่อยอเมื่อท่านได้บรรลุแล้วเนี่ยท่านได้จาริกกลับมาที่แควนมาคด เมื่อมาถึงที่แคว้นมคตเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารได้เห็นเข้าก็นิมนต์ให้อยู่เมื่อนิมนต์อยู่แล้วก็ลืมไปว่าเราควรจะสร้างกุฏิถวายให้ได้อยู่เป็นผาสุขสบายเมื่อลืมท่านสุภูตินั้นก็อยู่ตามมีตามได้อยู่ตามมีตามได้คืออยู่ในที่โล่งแจ้งอภสนณิ ก, กังคะ เมื่อท่านอยู่ในที่ลงแจ้งเนี่ยปรากฏว่ามีผลทําให้ฝนไม่ตกในเมืองราชิคลือเนี่ยไม่ตกจนกระทั่งชาวบ้านเดือดร้อนกันหรือดูฝนที่เขาทําเกษตรกรรมคนฝนแทนที่จะตกกลับไปตกชาวบ้านก็เดือดร้อนก็เกิดการโจทยฐานแล้วก็มามาเฝ้าถวายให้ทรงทราบ พ, พระเจ้ามีวิสานก็ทรงนึกได้ว่าเอเราถ้าจะไปทําอะไรผิดแกสมัมม น, นก็นึกได้ว่าแล้วนี่มนพระ องหนึ่งไว้คือท่านสือโติแล้วไม่ได้รู้แลท่านเรื่องหาที่พักที่อาศัยให้ท่านก็ไปสืบก็ได้ความว่าท่านอยู่ในที่โรงแจง้งฝนไม่ตกด้วยอํานาจบุญบันดานหรือเทบรรดาลก็ไม่ทราบก็เลยไปสร้างกุฏิให้ท่านอยู่ฝนก็เริ่มตกแต่เขาบอกว่าฝนตกน้อยไปท่านก็เข้าสมาบัตดแล้วก็สั่งให้ฝนตกมากขึ้นให้เป็นการจดเชยเพียงพอแก่ความต้องการของคนเมือง ฝนก็ตกลงมาเป็นปกติเพียงพอแก่ความต้องการแต่บัดนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่เล่าไว้นะผมก็เลยเล่าสิ่งละอันพาน้อยเติมไปด้วยเอาละผ่านไปถึงอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งคือท่านมหาโกตทิตต์บางทีเรียกมหาโกตทิกะเป็นองค์เดียวกันครับท่านท่านนี้นะ่ะเป็นชาวเมืองสาวัตถีอีกเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับท่านสุภูติเป็น บุคคลที่เกิดในสกุลของพรหรณ์มหาศาลคือพรหรา์ที่มีฐานะร่ำรวยและได้ฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคได้เกิดสัทธาออกบวชก็เป็นการออกบวชอย่างง่ายๆตามมีสัยบา ร, รมีของผู้ที่อบรมอันนี้มาและเมื่อได้บวชแล้วท่านก็ได้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างตั้งอกตั้งใจและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยไม่นาน แต่ว่าที่พิเศษของท่านก็คือเป็นผู้ที่บรรลุปฏิสัมพิธาและมีลักษณะพิเศษคือเป็นพวกปัญญาจริตเป็นพวกที่เรียกว่าบรรลุธรรมโดยมีปัญญีสีออกหน้าและธรรมะที่ท่านสนใจด้วยทั้งสนใจโดยถามก็ดีโดยเจตนาก็ดีโดยความชํานาญก็ดีคือเรื่องปฏิสัมพิธา ไปสัมพิธาหมายถึงความแตกฉานในธรรมสีม่อย่รรางหตัตานนหตปาปฏิสัมพิธาธรรมะปฏิสามพิทาแตกฉานในเหตุแตกฉานในผลแตกฉานในเหตุปฏิพาณนัปฏิสัมพิทาแตกฉานในในปัญญาแล้วก็นิรุตติไปสัมพิธาแตกฉานในถ้อยคําภาษาเพราะนั้นเราจึงพบว่าในพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับท่านมหาโคติตาเนี่ยจะมีเรื่องราวที่จะเป็นบทสนทนาก็ตามบทเทศก็ตามจะเกี่ยวข้องกับธรรมะลึกซึ้ง ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาแตกฉานในธรรมผมยกโดยอย่างพระสูตรหนึ่งาบางเออผมถือติดมือไปด้วยแต่ว่าเป็นสูตรที่ยาวครับยาวและเนื้อหาในสูตรนี้นะ่ะเป็นเรื่องลึกทั้งนั้นเลยเมีชื่อว่ามหาเวทัน ล, ละสูตรอันนี้ผมก็จะยกโดยอย่างให้ฟังนิดๆหน่อยๆบางจุดบางข้อที่ท่านสนทนากัน เ, เป็นการสนทนากันระวาง พระสารีบุตรกับพระมหาโกติกะที่เมืองสาวัตถีก็เล่าว่าเย็นวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรออกจากที่เล่นก็ไปห า, าท่านมหาโกติกะเป็นฝ่ายไปหาท่านพระสารีบุตรเมื่อเข้าไปพบกันแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันทั้งหมดนะ่ะสามสิบสองูตรนี้นะ่ะคนที่เป็นคนชอบเรื่องธรรมะลึกซึ้งแยบยนแล้วก็ดีมาก จะยกตัวยอย่างให้ฟังบางข้อดีท่านถามกันเช่นข้อที่สี่ท่านมหาโกติกะถามพระสารีบุตรว่าปัญญาและวิญญาณทำสองประการนี้ปะปนกันหรือแยกจากกันอาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้หรือไม่นี่เป็นคำถามถ้า คนเรียนพระวิธรรมก็ฟังและเข้าใจคำถามได้ง่ายสรุปว่าท่านถามว่าปัญญากับวิญญาณเนี่ยต่างกาันหรือเหมือนกันแยกกันเกิดได้ไหมอาวามางกันนาพระสารีบุตรตอบว่าปะปนกันไม่แยกจากกันผมไม่อาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้ เพราะปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นอันนี้ก็ง่ายๆครับเพราะว่าปัญญาเจตสิกย่อมเกิดในจิตมีจิตที่ไหนมีปัญญาที่นั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้ท่านพูดถึงญาณนสัมบยุตตจิตญาณสัมบยุตตจิตในญาณสัมบยุตตจิตคือจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยตัวจิตเป็นวิญญาณ วิญญาณที่เป็นญาณสมยุติจิตย่อมมีปัญญาอยู่ในนั้นไม่แยกจากกันปัญญาจะเกิดเอกเทศจากวิญญาณไม่ได้นี่เป็นคาตอบสรุปสั้นๆนี้นคราวนี้ท่านถามต่อไปอีกท่านถามว่าปัญญาและวิญญาณทำสองประการนี้ปะปนกันไม่แยกกันแต่มีกิจที่พึงทำต่างกันหรือไม่นี่เป็นคาถามตรงนี้ผมก็อธิบายนิดนึงว่า ปัญญากับวิญญาณเนี่ยโดยสัมปยุทธ์จะต้องสัมปยุทธ์กันสัมปยุทธ์นี่พูดอรรักษ์ภาษาวิธรรมเลยนะสัมปยุทธ์คือการประกอบจะประกอบกันแต่เมื่อว่าโดยกิจแล้วแยกกันครับโดยกิจเนี่ยก็คือไอ้สภาวะประมัติตแต่ละตัวเนี่ยโดยกิจโดยลักษณะเฉพาะตัวไม่ปนกันล่ะครับฉันใดก็ฉันนั้นปัญญากับวิญญาณปัญญามีกิจอย่างหนึ่ง กิจหมายถึงกิจที่กระทําต่ออารมณ์วิญญาณก็มีกิจอย่างหนึ่งที่กระทําต่ออารมณ์ไม่เหมือนกันเนี่ยลองฟังพระตริบุตรตอบพระตริบุตรตอบว่าปัญญาควรเจริญอันนี้ท่านตอบกิจแบบแบบอริยสัจปัญญาควรเจริญวิญญาณควรกําหนดรู้นี่เป็นกิจที่พึงทําต่างกันแห่งธรรมสองประการนี้ก็ ว, วิญญาณเนี่ยควรอบรมให้เกิดไอ้วิญญาณไม่ต้องไปอบรมหรอกครับ ควรกำหนดรู้เป็นจิตานุปัสนานแหละเพราะว่าฐานะของวิญญาณเนี่ยโดยสภาว่าแล้วก็มีฐานะเป็นทุกข์สัต์ที่จะต้องกำหนดรู้นี่เป็นกิจที่แยกแตกต่างกันนี่ว่ายกตัวอย่างข้ออื่นต่อไปอีกสักหน่อยนี่เป็นข้อสี่สบเอ็ดท่านถามว่าปัญญามีอะไรเป็นประโยชน์คาว่าประโยชน์เนี่ยหมายถึงความมุ่งหมายที่ควรได้ ภาษาลิบุตรตอบว่ามีความรู้ยิ่งเป็นประโยชน์มีความกาหนดรู้เป็นประโยชน์มีความละเป็นประโยชน์นี่ปัญญาที่ท่านกล่าวเนี่ยท่านหมายเอาปัญญาที่เป็นสายวิปัสนาปัญญามีความรู้ยิ่งเป็นประโยชน์นะหมายถึงความรู้ในขั้นวิปัสนาความกาหนดรู้ ความรู้ในขั้นมัชความละเป็นอำนาจของปัญญาในขั้นมัช ก, ก็ดีในขั้นวิปัสสนาก็ดีย่อมละแบบตะทางครับอาหารบ้างย่อมละแบบสมุดเชตพระอาหารบ้างเป็นอธิบายอย่างยอ่ออันนี้ครับก็จะเห็นว่าเป็นเป็นคําถามที่เกี่ยวกับปัญญาเรื่องความลึกซึ้งทั้งนั้นเลยทั้งสามสิบสองเรื่องที่ท่านถามกันก็สมแล้วล่ะครับ ถึงแม้ว่าท่านจะฟังคำถามคาตอบเข้าใจแค่ไหนหรือไม่เข้าใจก็ตามเถอะแต่สิ่งที่ท่านรู้ได้อันหนึ่งก็เท่ากับ ว, ว่าเราได้เห็นประจักษ์พยานว่าท่านมหากรทิตานั้นเป็นพระอาหารหันต์ที่มีบุคลิกเด่นทางปัญญาติดโตมาตั้งแต่เกิดแล้วก็บรุด้วยอำนาจของปัญญาเป็นปัญญาวาหะ และเมื่อบรลุแล้วก็สนใจในธรรมะในส่วนของปัญญาเป็นอย่างยิ่งจนได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นผู้ที่ชำนาญในปฏิสัมพิทาสิเป็นอรหรันต์ที่โดยคุณธรรมก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็แตกฉานธรรมะขั้นลึกซึ้งขั้นพูดอย่างภาษาเราเรียกว่าขั้นอพิธรรมขั้นรภาวะลึกซึ้งมากละเอียดมากคือท่านผู้นี้นี่ท่านมหาโกฏิตา เราเคยพูดถึงเมื่อพูดถึงตำแหน่งเอตทัคะมาหนึงแล้วนะครั้นี้มาพูดถึงองค์ที่สามชื่อว่าท่านกังขาเรวตะท่านกังขาเรวตะนะั้นเป็นลูกเศรษฐีครับชาวเมืองสาวัตถีอีกเช่นเดียวกันเหตุที่ท่านมาบวชแล้วก็มาได้ดิบได้ดีทางรูุธศาสนาเนี่ยก็เราดูการเข้าวัดของท่านปรากฏว่าอตอนที่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่ พระเจตวันไปประทับอยู่ที่เจตาวันเนี่ยพอตกเย็นเนี่ยคนก็จะปากรถือดอกไม้ทูบเทียนเดินทางไปไปธนวศาการไปฟังธรรมกังขาเรวตะชื่อตัวเนี่ยคือชื่อท่านเรวตะชื่อกังขาเป็นชื่อมาเรียกแต่มเติมที่หลังเห็นข้าวก็สนใจว่าเขาไปไหนกันก็เลยเดินตามคนเข้าไป ไปแล้วก็ไปสู่ที่ฟังธรรมเนื่องจากว่าตัวเองตามเข้ามาก็ไม่ได้นั่งฟังธรรมเหมือนคนอื่นนั่งยืนฟังธรรมอยู่ในท้ายบริษัทพูดง่ายๆว่าเป็นการมาฟังธรรมด้วยความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเองครับไม่ได้ศรัทธาแต่แรกแต่ขั้นเมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาถึงออกบวทคนอื่นที่มาฟังธรรมด้วยศรัทธาก็ศรัทธาแก่ฟังธรรม เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ออกบวชแต่ท่านผู้นี้ออกบวทและเมื่อออกบวทแล้วก็ได้อาจารย์ดีอาจารย์หมายถึงก็บทพู้ใ เ, เจ้าแล้วแล้วก็มีอาจารย์ที่คอยบอกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของการบวชธรรมดาของสังสงก็ได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานก็บอกว่าเป็นคนที่มีบารมีมากเรียนไม่นานก็ได้บรรลุฌาน คือท่านทําวิปัสนาแบบฌาน ล, ลาภีตามคติของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในสมัยพระพุทธเจา้าแล้วก็ได้ใช้ฌานเป็นบาทบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรุษเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มักจะเข้าฌานที่ท่านได้ทั้งวันบางทั้งคืนบางทั้งกลางวันกลางคืนบางก็พูดได้ว่าคนที่มาหาท่านมาพบท่านเนี่ยก็มักจะพบว่า เจอท่านทีไยก็นั่งเข้าฌานอยู่ร่ำไปเป็นคนที่ชอบหลีกเล่นหรือนิ่งแบบอริยสมาบัติเข้าฌานอยู่เสมออันนี้เป็นอุปนิสัยที่สั่งสมไว้ด้วยส่วนหนึ่งแต่บริชาตแล้วก็ความปรารถนาที่ได้ปรารถนาไว้แต่บริชาตเพราะเหตุนั้นแหละจึงได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นผู้ชำนานในฌานสมาบัติคือธรรมดาคนเข้าฌานเนี่ย อาจจะตั้งใจว่าเข้าฌานเพื่อเป็นผาสุขวิหารเป็นเครื่องประกอบความสุขของพระอริยะแต่ถึงอย่างนั้นก็จะได้ความชำนาญความเข้าใจในฌานนะยิ่งเสพคุณมากถึงจะไม่ได้ตั้งใจเข้าเพื่อศึกษาก็ได้ความรู้แต่กรณีของท่านกังขาเรวตาเนี่ยท่านเข้าเพื่อเสพคุณฌาน คือพูดง่ายเป็นการเข้าเพื่อเรียนรู้เรื่องฌานทําความเข้าใจเรื่องฌานเพราะเรื่องฌานเนี่ยมันก็เหมือนกับความรู้เรื่องอื่นคนที่ได้ฌานไม่ใช่ว่าจะเข้าใจเรื่องกระบวนการของฌานอย่างครบถ้วนเสมอไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องชํานาญในฌานเรื่องฌานตะลุปุโปรเสมอไปใครที่ได้ฌานแล้วก็เข้าฌานเพื่อศึกษาฌานเพื่อพลิกแพลงเข้าฌานอย่างเป็น กิตตกรีธาคือกีฬาทางจิตก็จะได้ความจานานและได้ความเฉลิยวฉลาดในเรื่องฌานเพราะฉะนั้นท่านกังขาเรวตาเนี่ยเข้าฌานอย่างนี้ไอผ้ผาสุกเนะ่เป็นเรื่องเรื่องหลองไม่ใช่เรื่องออกหน้าจึงได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นผู้ชํานานในฌานสมาบัตคำว่าํานาญเนี่ยจาไว้นะคือหนึ่งเข้าได้พลิกแปลงสารพัดแบบ แล้วก็สองเป็นผู้ที่เข้าใจเข้าใจเรื่องกระบวนการของฌานสารพัดแบบซึ่งเป็นความเข้าใจทั้งโดยเชิงทฤษฎีและโดยเชิงประสบการณ์เองโดยตรงของท่านท่านเรขาตะเนี่ยท่านเป็นอย่างนี้เราก็กจำไว้อย่างหนึ่งนะฮะว่าคนได้ฌานย้ำน ะ, ะว่าคนได้ฌานเนี่ย หรือแม้แต่คนทำวิบัติ์ได้ยานเดียวกันก็ตามแต่ความชนานาญหรือความแทงตลอดแทงทะลุในเรื่องของจานนั้นจะไม่เท่านเนื่องจากว่าท่านเลวตะเนี่ยสมัยที่ท่านยังเป็นพระปุถุชนอยู่คือตอนยังไม่ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเป็นคนที่มักสงสยัยและความสงสัยที่เกิดด้วยอำนาจของฮิลิโอตาปะ คือความกลัวบาปละอายต่อบาปด้วยความเคารพวินัยความสงสัยของท่านจึงเกินเลยไปสำคัญในสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรว่าไม่ควรสิ่งเช่นว่าสิ่งที่เป็นกัปปยะควรเสพควรได้สำคัญรึว่าไม่ควรสงสัยไปเรื่อยสงสัยกลัวจะอาบัติไปเรื่อยแหละจนกระทั่งเป็นที่รู้กันพวกพระก็เลยเรียกท่านว่ากังขาเรวตะ เลวตะที่สงสัยแม้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยเรียกติดปากเรื่อยมานี่เป็นที่มาชื่อของท่านองค์นี้ก็เป็นเอตทัะคะอีกองค์นะก็หมายก็ว่าสามองค์นี้เป็นเอตทคฆะทุกองคอีกองคหนึ่งก็เป็นเอตทคฆะอีกเช่นเดียวกันครับคือท่านปุณณะมันตานีบุตรองค์ที่สี่ท่านปุณณมันตานีบุตรนั้นท่าน เป็นชาวเมืองกบิลพัทแต่ว่าไม่ใช่คนในลั้วในฝั่งเกิดในสกุลพราหมณ์และถ้าจะเอ่ยให้ชัดและจำไม่ลืมก็คือว่าท่านเป็นหลานลุงของพระเทระสำคัญองค์แรกในพระพุทธศาสนาคือเป็นหลานลุงของท่านอัญญางโกนทั ญ, ญะที่เป็นครามหนุ่มพยากรพุทธเจ้าและได้ออกบวช โดยหวังว่าจะพระผู้มีพระภาคจะตรัสะรู้เมื่อตรัสทะรู้ท่านก็เป็นคนแรกที่บรรลุธรรมเป็นหนึ่งในเบญจวัคคีย์ครนี่เป็นหลานงั้นเมื่อท่านได้ออกมาบวชเนี่ยปรากฏว่าหลานของท่านที่ชื่อชื่อว่าปุณณนะชื่อตัวคือชื่อปุณณนะมาบวชอยู่กับลุงครนี้ก็มีวันมาวันหนึ่งไ ม, ไม่ได้บวชกับลุงพุทธเจ้าโดยตรง่ะบวชอยู่กับลุงวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จ มาสู่เมืองราชครืดที่แคว้นมคธอ่ะก็ก็หมาข้อมาสเสด็จมาที่พระเวรวรลุงก็รู้รู้ข่าวด้วยยาณวิถีใดๆ ไ, ไม่ได้บอกไว้ก็บอกหลานบอกว่าเราไปเฝ้าพร ะ, พระผู้มีพระภาคด้วยกันกันแล้วกันก็เตรียมจะไปเฝ้าก็บังเอิญวันก่อนที่ ท, ที่ก่อนจะเดินทางเนี่ยครับ ท่านปุณณะผู้หลานเนี่ยได้หลังจากบินท บ, บาทเสร็จแล้วก็หลบไปพักที่พักกลางวันที่ใดที่หนึ่งนอกกรุงรัชกรืออ่อกนอกกรุงก บ, บิลพัสเนี่ยในขณะที่พักอยู่นั้ น, นก็ไม่ได้ทำเวลาให้เสียเปล่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติในข้อวิทยาลํพะดีว่าถ้าขี้เกียจก็ปลารบว่าเราจะเดินทางไกลแล้วหนอ ต อ, อนนี้ก็พักเอาแรงไม่ต้องทำอะไรท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านกลับคิดว่าเราจะเดินทางแล้วหนอเมื่อเดินทางปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะเดินทางเนี่ยเราก็ควรจะทำกรรมฐานไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรแต่ความศกเหมาะของอินทรีย์ถึงพร้อมท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่พักกลางวันนั่นเอง นี่เรียกว่าเออ่เป็นการบรรลุธรรมก่อนพบพระพุทธเจ้าและเมื่อได้ไปพบพระพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าได้นําเอาเครื่องบูชาที่ผู้บูชาเนี่ยมีความสุขที่สุดที่ได้บูชาสิ่งนี้และผู้ที่ได้รับการบูชาก็มีความสุขที่สุดที่ได้รับการบูชาด้วยสิ่งนี้คือเอาอารหันต์อรหันตผลปฏิบัติบูบชา ไอ้ปฏิบัติขั้นเหตุนอันหนึง่งปฏิบัติแล้วได้รับผลแล้วเอาผลผ ล, ผลิตของการปฏิบัติบูชาไปบูชาเนี่ยเป็นของดีที่สุดเท่าเอาผลเนี่ยเป็นผลสูงสุดเลยไม่ใช่ผลเบื้องต่าเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนามากผู้บูชาก็ภาคภูมิมากอันนี้เราก็พออนุมานเข้าใจได้ว่าถ้าสมมติว่าเราไปอยู่สำนักใดสำนักหนึ่งกับครูบาอาจารย์แล้วปฏิบัติทำแล้ว ปฏิบัติแล้วก็ได้แต่ทาแต่ไม่ได้อะไรเวลาอาจารย์เรียกไปพบเรียกไปสอบอารมณ์หรือกลับไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่ชาติภูมิเหมือนกับคนที่ไม่ได้เรียนสาเร็จเนี่ยก็รู้สึกไม่ภาคภูมิแต่ว่าถ้าเราทำได้รับความสาเร็จสูงหรือยิ่งสูงกว่าครูบาอาจารย์สำหรับในระดับที่เป็นสวกด้วยกันเนี่ก็ ทำให้เกิดความภาคภูมิเกิดปีติและแม่ครูบาอาจารย์ทว่าไม่ใช่เป็นคนมีอกุศลหนักหนาหนักก็จะเกิดอนุโมทนาปีติไปด้วยว่าเอาละถึงเราไม่ใช่อรหรันแต่ว่าอันเทวาสิกของเราเป็นอรหรันก็เกิดความภาคภูมิใจอย่างนี้เป็นอภิชาตบุตรกันในทางธรรมะกรณีอย่างนี้นะเราเจอประวัติพระเจอพระสูตรหลายสูตรที่ บรรลุก่อนไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอนโมทนาสูงมากบางทีท่านเข้าสมาบัติรอเลยเช่นที่เคยพูดถึงสูตรหนึ่งว่าพระพวกหนึ่งส่งเสียงเจียวเจ้าพระพุทธเจ้าก็พระลุกศิษพระยโสชะส่งเสียงเจียวจ้าท่านก็ไล่ไปไล่เนี่ยก็เป็นอุบายเพื่อให้เกิดความสังเวช พอไล่ไปเสร็จแล้วก็เกิดความตระหนักสังเวช ท, ทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอราหันต์ก็ย้อนกลับมาเฝ้าใหม่พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติรอเลยถือว่าเป็นธรรมะปฏิสันถานในแง่ของผู้ผู้ด้อนรับนะธรรมะปฏิสันถานที่ดีที่สุดคืออันนี้ในแง่ของผู้มาเฝ้าก็เป็นปฏิบัติบูบชา ที่ล่วงส่วนแล้วดีที่ตอนนั้นพระอานอนท์นั่งอยู่ด้วยมองซ้ายมองขวาไม่รู้อะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะพานเข้าใจผิดแล้วถ้าไมต่างคนต่างมานั่งนิ่งพระเจ้าก็นั่งนิ่งแล้วก็แขกยังไม่มาพระห้าร้อยก็มาแล้วก็เข้าสมาบัติกันหมดเลยมีพระอานนท์อยู่องค์เดียวไม่ได้เป็นอาลานงงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกลัวจะเสียหายในทางความรู้สึกแก่ทั้งสองฝ่ายนะะ พอพระพุทธเจ้าออกจากสมาบัตถึงที่แจ้งให้ฟังน้ว่าต่อไปว่าท่านปุณณะมันตานีบุตรเป็นพระเถระที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศทางการให้โอวาสและที่ว่าเลิศให้โอวาสเนี่ยหมายถึงไม่ใช่เลิศในทางการสอนในเชิงทฤษฎีนะอววาดในที่นี้ โอวาทนะหมายถึงมันมีความหมายคล้ายๆที่เรามาใช้ในทางภาษาไทยหมายถึงคำสอนที่ถูกจำกัดอยู่ในความมุ่งหมายทางการปฏิบัตินะอย่างเช่นว่าให้โอวาทมีพระบรมราโชวาทแต่ถ้ายังปุมบรรยายไม่เรียกโอวาทเรียกบรรยายให้ความรู้แต่โอวาทเนี่ยมุ่งผลทางปฏิบัติท่านปุณณะเนี่ยโอวาทให คำสอนชี้แนะแล้วคนปฏิบัติได้ผลท่านเก่งตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่ท่านใช้เป็นฐานของการให้โอวาสที่สําคัญไม่เคยทิ้งเลยคือสิ่งที่เรียกว่ากระถาวัตถุสิทธิกระถาวัตถุสิทธิ์หมายถึงคําที่ควรกล่าวแล้วก็เรื่องกระถาวัตถุเนี่ยเป็นเรื่องของ ค่อยำํำการสนทนาก็ดีการฟังก็ดีธรรมะอะไรก็ดีธรรมะสอดคล่องอันนี้แหละจะทำให้คนเจริญในการปฏิบัติได้ดีถ้าตรงกันข้ามกระถาวัตถุสิบแล้วเป็นตัวทวงปฏิบัติขวางปฏิบัติผมชวนให้ทบทวนนิดหนึ่งว่ากระถาวัตถุสิบมีอะไรบ้างคือหนึ่งมักน้อยสองสันโดรสร แล้วก็เป่าวิเวกพูดถึงเรื่องความสงบประโยชน์ของความสงบแล้วก็ความไม่คลุกคลีความไม่คลุกคลีกับหมู่คณะนะนะอจะพูดในแง่บวกหรือแง่ปฏิเสธตรงกันข้ามก็ตามก็ถืออยู่ในขอบข่ายนี้ทั้งนั้นแล้วก็ธรรมะทั้งหลายเนี่ย เ, เวลาพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรแต่จะต้องมาสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็วิริยะอีอันเป็นข้อหา นะ น, นี้ก็อาจะจําก็จําแค่แค่ห้าข้อนี้ส่วนที่เหลืออีกห้าข้อเน่ยคือศีลกระถาสมาธิกระถ า, าวิมุตติยานัศนะเดี๋ยวไล่มาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัศนะห้าอย่างอันนี้พูดถึงในส่วนไอในชั้นแรกนะพูดถึงในส่วนเบื้องต้นในแง่ของการควบคุมวิเลสไอนนส่วน ห้าข้อหลังเนี่ยเป็นส่วนของของกุศลในแง่ของความเจริญกุศลสืบต่อจากห้าข้อต้นเพราะเหตุที่ท่านตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นคนที่ประพฤติตัวอยู่ในหลักของคาถาวัตถุสิบอย่างเคร่งครัดแล้วก็เวลาสอนเวลาให้โอวาดข้อสอนก็ให้โอววาด เกี่ยวพันด้วยเรื่องคาถาวัตถุธิ์จึงทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยฟังโอวาทแล้วเกิดแรงกระตุ้นแล้วก็เวลาปฏิบัติธรรมก็ได้รับความสำเร็จในคำภี จ, จึงว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ฟังโอวาทแล้วนะบรรลุพระอรหันต์กันเป็นว่าเล่นบรรลุกันเยอะไอ้ตรงนี้นะมันมีข้อสังเกตริเศษเยอะนะฮะว่า ถ้าพูดถึงว่าคนจะจะควบคุมตัวเองเนี่ยนี่พูดถึงไม่ต้องให้มีใครมาโอาวาทเราเราอาศัยธรรมะที่รู้มาโอาวาทจะควบคุมตัวเองเนี่ยแล้วก็ทําให้ใจมันเดินไปในการปฏิบัติได้ดีเนี่ยนะฮะต้องตรองตรึกแล้วควบคุมความคิดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องคาถาวัตถุสิบนี้นะฮะเช่นว่าเอ่อเห็นโทษของความวุ่นวายใจโน้มไปสู่ความสงบ ไม่คุกคลีอะไรพวกนี้นะถ้าตรงกันข้ามแล้วก็ตรงกันข้ามใจชอบบันเทิงกับสิ่งเหล่านี้นี่แปลว่าเราเราใจมันได้คุณสมบัติอันนี้แหละหรือว่าเป็นคนที่มักน้อยไม่สะสมไม่โลภมักน้อยไม่ว่าจะเป็นในโดยเฉพาะในเชิงวัตถุมักน้อยนะหมายถึงมักน้อยจากสิ่งที่เป็นเบญจกรรมาูุิ มีอย่างมีรายละเอียดต่างกันก็ทําให้ใจเนี่ยมันซิดนะฮะหรืออย่างในเรื่องของไอสงรร้สังเวกธรรมสังเวกธรรมเนี่ยมันอยู่มันเข้าเครือทั้งนั้นแหละเวลาใจมันมีสังเวกธรรมเนี่ยรู้สึกมันเบาแล้วมันโปร่งแล้วมันมีจะมีลักษณะความพร้อมรับธรรมะสูงอันนี้น่ะคนหลายคนสังเกตแล้วกลงๆ ก, กันแล้วก็บางทีถ้าใจมันมันกระด้างเนี่ยนะฮะ พอมานึกทบทวนแล้วตั้งจิตมรณาิการให้ให้มันรับความรู้สึกกระตวัตถุสิบได้เนี่ยมันจะเบิกบานแล้วก็เป็นอิสระแล้วก็รู้สึกมันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นใช้กำว่ามากยิ่งขึ้นก็แล้วกันนี่พูดถึงการทําใจเองคนที่เป็นแล้วก็สามารถทำใจเองได้มากอย่างกรณีของท่านท่านบุญ น, นะถ้าครบบุคคลครบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็จะต้องให้สิ่ง ก็ให้จำง่ายๆว่าคนถ้าใจยังกระเจบกระเจยบยังยังฮึกเหิมยังยังนี่พูดถึงในห้องปฏิบัติในการปฏิบัติเนี่ยใจหึกเหิมหรือใจยังรู้สึกว่าเต็มอิ่มชุ่มชื่นอยู่กับสิ่งที่น่าพึงพอใจในโลกอะตามอยู่แล้วก็รับรองได้เลยว่าใจอย่างนั้นเจริญไม่ได้เราไม่ต้องไปบอกใครหรอกเรารู้ตัวเอง ใจอย่างนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะเจริญในธรรมเอาเป็นว่าในขณะนั้นนั่นนะะได้แต่ถ้าใจมันสลดขดหูมันซีดจากสิ่งเหล่านี้นั่นแหละมีลักษณะที่จะเจริญในวิ่งเหล่านี้ได้เพราะนั้นบางคนก็ถึงบอกเออเวลาที่ทำกรรมฐานและศรัทธาไม่เกิดวิญยาสติไม่วิญาไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดเนี่ย ให้นึกถึงโลกในอีกด้านหนึ่งในทางในทางลบลบหมายถึงลบแบบธรรมะถ้าเมื่อ น, นั้นแล้วก็ใจมันใจเย็นจะเหงอจะเย็ น, ช เ, ยนเช่นว่าเราอยากรู้สึกว่าไม่อยากทำกรรมฐานเลยมันอยากจะออกไปดูนงังดูละรกรนอะไรก็ตามเนี่ยแต่เราสํารวมใจออกไปทำไมออกไปแล้วได้อะไร ใครที่เข้าดูแล้วก็เป็นยังไงก็พยายามนึกไปให้ตลอดรอดฟังนึกไปนึกมาแล้วก็มันจะวกวนกลับมาสู่สู่จุดที่เรากําลังยืนอยู่ถ้าถึงอย่างนั้นแล้วก็มันก็จะหายกสันในความรู้สึกผมอาจจะพูดมากไปหน่อยนะนี่เป็นเป็นเรื่องบุคลิกของท่านปุณ น, นะแต่ไหนๆพูดมาแล้วก็พูดต่อไปได้อีกแล้วกัน วันนี้นั้นึกว่าจะพูดให้ได้ทักงสามสิบองค์นี่จะจบไม่จบไม่รู้นะฮะเร็วมากไปกันเหนื่อยหอบไปสังคนพูดคนฟังอา่าว่าต่อไปอนิดหนึ่งว่าท่านปุนนะเมื่อเรารู้ว่าท่านเป็นคนเมืองกระบิ่ลพัดและได้บรรลุธรรมและมีลักษณะอย่างนี้ชื่อเสียงของท่านได้กระจรกระจายปไปเข้าหูของท่านภาษาลีบุตร ท่านพระสิสารีบุตรเนี่ยเคยถามพระภิกษุกลุ่มหนึ่งซึ่งในพระไตยปิฎกเรียกว่าเป็นภิกษุชาวชาติติภูมิชาติภูมิเนี่ยหมายถึงเป็นภิกษุชาวชาติติภูมิของพระพุทธเจา้าคือภิกษุชาวเมืองของพระพุทธเจา้าเรียกชาติภูมิเป็นอีกภาษานะแทนที่จะเรียกว่าภิกษุชาวเมืองกบิลพัทเขาเรียกว่าชาติภูมิคือพุทธภูมิ ภิกษุที่มาจากเมืองนี้เรียกภิกษุชาวชาติภูมิท่านเคยไปถามได้ยินกิติศ s a ์มาก็ถามไปเจอลูกศิษย์ว่าใครหนอว่าในชาติภูมิได้ยินมีภิกษุองค์หนึ่งเนี่ยมีชื่อเสียงระบือมาว่ากล่าวคถาวัตถุประพฤติอยู่ในคาถาวัตถุให้โอวาทปลุกคนให้ดํารงอยู่ในคถาวัตถุศิ ท่านปุนั้นคือใครหนาะพิสูจนทั้งหลายก็เรียนท่านว่าคือท่านปุณณะมันตานีบุตรเวลานี้ไม่ได้มาที่นี่พระสารีบุตรก็บอกเอออย่างนั้นก็ดีแล้วสักวันหนึ่งคงจะได้เจอตัวจริงคงจะได้เจอกันก็ได้เจอกันจริงๆครัแล้วก็จากการเจอกันเนี่ยได้เกิดพระสู่สําคัญขึ้นสูตรหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเออตอนพระสารีบุตรพบพระเนี่ยพบที่เมืองเมืองไรจือ พระผู้มีภาคเมื่อเสด็จประทับอยู่ที่นั่นตามสมควรแล้วก็เสด็จไปที่พระเชตะวันมหาวิหารเมืองสาววดีท่านอุนะรู้ว่าพระผู้มีภาคเสด็จมันก็เสด็จตามก็เดินทางตามเสด็จไปแล้วก็ได้ไปพักอยู่ที่ป่าเรียกว่าป่าอันธาวนก็คือป่าอยู่หลังวัดเชตาวันที่เราไปเห็นมาแต่ไม่เห็นป่าแล้วมีตะตุง้งโลงเนี่ย ก็ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปหลีกเลนอยู่ที่นั่นพระสารีบุตรไปสู่ที่นั่นก็ได้ไปลีกเลนอยู่ในที่ไม่ไกลกันเป็นเรื่องโดยบังเอิญโดยบังเอิญคือไม่ได้ตั้งใจจะไปดักพบกันก็จนกระทั่งออกจากที่เลนพระสารีบุตรก็สะกดรอยตามสะกดรอยตามเห็นเดินเห็นพระสูตรเราก็เห็นที่สัก กระกดรลอยตามแล้วก็ขอโอกาสไปสนทนาธรารมภาษาลิบุตรเป็นฝ่ายถามท่านปุณณะเป็นฝ่ายตอบอพระสูตรนี้นะชื่อว่ารัตถาวินีสูตรผมเล่าสั้นๆให้ฟังนะว่าภาษาริบุตรก็ไปถามท่านว่าท่านบวช ป, ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเนี่ย<ป>เพื่ออะไร เพื่อศีลวิสุทธิหรือจิตตวิสุทธิหรือทิฏฐิวิสุทธิหรือกังขาวิจารณวร า, าวิสุทธิหรือญาณทัศนวิสุทธิหรือท่านบอกว่าเปล่าทั้งนั้นก็ถามว่างั้นปฏิบัติเพื่ออะไรบอกว่าปฏิบัติเพื่ออนุปาธาปรินิพานคื อ, อาการตอบว่าประพฤติธรมเพื่ออะไรเนี่ยเวลาเราตอบเราก็ตอบทั้งสองแบบ แล้วบางทีตอบบางแบบเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับคนบางคนตอบบางแบบใช้ได้กับคนบางคนแต่บางโอกาสในบางเรื่องผมยกตัวยอย่างเช่นว่าเราทําวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออะไรเราจะตอบย่าไงถ้าบอกว่าทาเพื่อนิพพานเนี่ยไม่เหมาะเพื่อมรรคยานผวลยานไม่เหมาะไม่เหมาะว่าอะไรก็บอกแม่อย่าเพิ่งไปหวังอย่างนั้นเลย ถ้าบอกว่าทําเพื่อเป็นอุปนิสยัยทําเพื่ออะไรที่มันใกล้ๆที่มันเป็นไปได้เอออย่างนั้นเหมาะในนี่ในแง่หนึงนะแต่ว่าในะอีกแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งบอกว่าทําอย่างกรณีของคนที่บวชเข้ามาเนะี่ยบอกว่าประพฤติทำเพื่อหลาบส ก, การละมันก็เป็นอันหนึง่งอันหนึ่งอย่างหนึ่งหนึ่งตั้งจุดมุ่งหมายสูงสุดไว้แค่นั้นไม่เหมาะต้อง ใครที่มีความรู้ประจักษ์ในใจว่าตัวเองบวชเข้ามาประพฤติ ธ, ธรรมเพื่อทําลายล ก, ากิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาเนี่ยถึงจะได้แต่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายถึงที่สุดอย่างนี้ถูกอย่างนี้ถูกเพราะฉะนั้นท่านจึงตอบเอาเบื้องสูงสุดมาตอบอนุปาทาปริณิพานหมายถึงการดับขันธบริณิพาน เราพุทธพรมจารย์เพื่อไม่เกิดอีก น, ะ น, ะ น, ะนั่นแนนั่เองครับง่ายๆเรือนี่ทีนี้พระสารบุตก็ถามว่าอาถ้าอย่างนั้น <c oughs> สีและวิสุทธิเป็นอนุปภาธาปริิญพานหรือไล่ไปยจนถึงวิสุธทธิที่เจ็ดเป็นอนุปาธาปริญพานหรือบอกไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นไม่ใช่อนุปาธาปริญิาพ ร, พาพระสารีบุตรก็เข้าใจถามไปถามมาท่านก็ ตอบทีนี้เมื่อตอบอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าวิสุทธิเจ็ดเนี่ยเป็นเพียงขั้นหนึ่งหนึ่งของการประพฤติ ธ, ธรรมคือหมายาว่าเวลาเราประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยเราต้องรู้รู้ว่าเราประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยทำปุ๊บเนี่ยได้อะไรปั๊บไอ้สิ่งที่ได้ปั๊บนั้นไม่ใช่ได้สิ่งนั้นมาเพื่อสิ่งนั้นและจบแค่นั้นแต่ได้มาเพื่อได้เพื่อเอาไปต่ อ, อยางอื่น อันนี้สอดคล้องกันที่เราเคยพูดกันว่าเออทาบุญเลยสมควรจะปรลาดถนาได้เงินไม่สมควรจะมาเป็นมนุษย์งงอย่างนูอย่างงี้ไหมบา ง, งคนก็บอกเออป้าบางองค์บอกไม่ควรป้าบางองค์บอกควรแล้วทาไงดีก็บอกว่าไอ้ควรไม่ควรน่ะตามความเห็นผมม่อยู่ตรงนี้ว่าเราเราต้องได้คําตอบรู้ว่าเราได้สิ่งนั้นมาเพื่ออะไรสิ่งนั้นเนี่ยคุณค่ามาอยู่แค่ระดับไหน เขียนว่าได้ความเป็นมนุษย์มาเพื่ออะไรไม่ใช่หยุดแค่เพื่อความเพียงเพื่อความเป็นมนุษย์เท่านั้นได้ลาบมาไม่ใช่หยุดเพียงแค่เพื่อลาบแค่นั้นลาบนั้นจะต้องได้มาเพื่อลาเพื่ออย่างอื่นต่อไปเรามองเห็นัหมเราต้องตั้งความปรารถนาขยับเลยขึ้นไปแล้วก็จะต้องเห็นจุดสูงสุดของความประพฤติ ธ, ธรรมไม่ได้ นั่นเป็นหลักชัยของการประพฤติ ธ, ธรรมที่บุคคลควรจะมีไว้แต่ก็ไม่ใช่มีไว้แล้วก็ลืมไอ้้ผลได้เฉพาะหน้าที่มันสืบขึ้นไปโดยลําดับท่านเพียงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับรถเจ็ดผลัดนั่นแหละครับพระเจ้าประเสริฐที่โค้นจะเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีนั่งรถผลัดที่หนึ่งมาจอดที่ประตูเมืองแล้วก็เสด็จลงจากรถผลัดที่หนึ่งขึ้นรถผลัดที่สองขึ้นไปโดยลําดับโดยลําดับเจ็ดผลัดจนถึงเมืองสาเกต เนี่ยเหมือนวิสุทธิเจ็ดไม่ใช่เพื่อวิสุทธิเองไม่จะจบแค่นั้นแต่เป็นผลหนึ่งหนึ่งเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางท่านก็ประพฤติพรมจรรย์เพื่ออย่างนี้นี่เป็นคําอธิบายที่มเราก็มีความรู้สึกว่าท่านอธิบายธรรมะได้ทั้งอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเนี่ยชัดเจนรตาบตซึงกินใจดีเหลือเกินพอถาม เสร็จแล้วเนี่ยพระสารีบุตรก็ถามว่าเออท่า น, น่เป็นใครล่ะคือคุยกันนี้ยังไม่รู้ตัวนะฮะท่านเป็นใครก็บอกว่าผมชื่อปุณณนะมันตานิบุตรเป็นชาวชาติภูมิพระสารีบุตรโก อ, อนุโมทนาบอกเป็นลาภของผมเหลือเกินที่ได้มานั่งใกล้ท่านผู้มีชื่อเสียงปรากฏอย่างนี้อย่างนี้ ก็อนุโมทนาท่านปุณณะก็ถามมาแล้วท่านเป็นใครละ่ะนี่มันเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยนะเจอกันครั้งแรกเลยสนทนาคำจนเกิดสูตรทิ่งขึ้นก็บอกว่าผมชื่อติดสะท่านบอกชื่อเดิมท่านแต่ว่าเพื่อนโรมรมัจจาผมเพื่อนพรมมจาลีเนี่ยได้เรียกผมว่าสารีบุตรรู้จักผมอย่างนั้นพอได้ยินว่าสารีบุตรก็ได้ยินชื่อมาก่อน ก็ปีติแสดงความยินดีว่าได้มาพบท่านบอกแล้วก็บอกว่านี่ถ้ารู้ว่าท่านท่านเป็นคือสารีบุตรแต่แรกเนี่ยถ้อยคําของผมคงไม่แจมแจ้งอย่างที่พูดแต่อะไรพูดเป็นจำ น, นวนไหมผมคงคงพูดไม่กล้าพูดอย่างที่พูดไปแล้วหรอกแต่ที่พูดไปแล้วว่าไม่รู้ว่าท่านเป็นภาษารีบุตรเอก็ก็บอกอย่างนั้นก็เลยอนุโมทนาสาธุการกันมีความสุขแยกกันกลับไปสู่ที่พักของตนต่อไป น, นี่ผมก็ขอเลยไปถึงอีกองค์เลยนะอีกองคหนึ่งน่ะคือท่านทัพพระมัลระบุตรก็ได้เอ่ยชื่อท่านบังแล้วนะแต่ก็องค์นี้ี่มีเรื่องเยอะอะท่านทัพพระมัลระบุตรนั้นท่านเป็นชาวแคว้นมัลละเป็นพวกเชื่อสายมัลลกษัตริย์มัลลกษัตริย์ก็คือ กษัตริย์ที่ครองเมืองเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญกับพระพุทธเจ้ามากเมืองอะไรนึกออกไหมครับมรรคกษัตริย์เมืองอะไรกุสินาราที่ปรินิพานของพระบรมศาสดาท่านเป็นชาวเมืองนั้นอท่าน บ้านเกิดท่านเนี่ยนะอยู่ที่ตำบนที่พระพุทธเจ้าทรงออกพนุษนะอนาผมก็ต้องถามชวนให้ท่านนึกทบทวนความจำ เ, เมืองที่พระพุทธเจ้าออกพนุษคืออะนุปิยนิคมเรายังไปไม่ถึงเห็นแต่ในรูปที่พระพุทธเจ้าทรงออกมหาวิเนสกมกี่มา ก, กอากาแล้วก็ไป ทำพิธีอธิษฐานบทตรงนั้นท่านผู้นี้นะท่านเป็นชาวเมืองนี้ช า, ชาวชาวหมู่บ้านชาวนิคมในที่แห่งนี้พอดีพอดีด้วยไม่ใช่ชาวเมืองไม่ใช่อยู่ตรงที่ปริณิพานอยู่ตรงที่ออกบทท่านมีบุญญาธิการมีวาสนาทางธรรมะสูงเหลือเกินองค์นี้ สูงอย่างไรแล้วเล่าเบื้องต้นแล้วเหมือนเป็นคนอาภัพกําพาแม่ตั้งแต่ยังไม่เกิดนะครับผมใช้คำพูดนี้ไม่ผิดกํดากกอออกกกกพาแม่ตั้งแต่ยังไม่เกิดไอ้ของเราเนี่ยมีแต่ว่ากําพาแม่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดใหม่ๆนะคือออกจากต้องแม่แล้วก็กัมพาแม่แต่อันนี้กัมพาแม่ตั้งแต่ยังไม่เกิดมีหลายคนนะกัมพาแม่ตั้งแต่ยังไม่เกิด แต่อประเภทที่กำพร้าแม่ตั้งแต่ปฏิสนธิอย่างนั้นก็ไม่มีเหมือนอย่างนางอัมบาลีแม่ไม่มีไงเทวดาก็กำพร้าแม่แม่ไม่มีแต่ว่าท่านทุ้นี้น่ะชะตากรรมท่านเหมือนท่านสังกิจจาสมัมมเนซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงนะท่านได้แม่แม่เนี่ยก็ตาย เมื่อท่านเมื่อตั้งคันแก่แล้วตายทั้งกลมแต่เพราะว่าท่านทัพพะนั้นเป็นสัตว์ที่มีบุญบุญก็รักษาเทวดาก็รักษามนุษย์เน่ไม่รู้หรอกว่าแม่ตายแต่ลูกในท้องอยังไม่ตายก็เอาขึ้นไปบนเชิงตะกอนตะเดียมจะเผาศพทองก็แตกระเบิดออกมา เด็กคนหนึ่งก็หลุดล่วงลงมาค้างอยู่บนท่อนไม้เข้าใจว่าจะไม้ที่เขาจะเตรียมไปเผาศพนะเป็นไม้แก่นเป็นกองฟืนไม้แก่นซึ่งภาษาบาลีเขาเรียกว่าทับพระเหมือนียจะใช้คำว่าทับประสัมภะละเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านก็เลยเรียกด้วยอํานาจนิมิตอันนี้ว่าทับพระ ก็คือเด็กที่เกิดบนกองฝืนนี่เลยเลยเป็นชื่อเรียกอย่างนี้ทัพพระแต่เพราะมีเชื้อสายเจ้ามันละเป็นลูกของเจ้ามันละจึงเรียกว่าทัพพระมันระบุตรนี่เป็นท่านอธิบายชื่อเอาไว้อย่างนี้ทืนี้เมื่อเกิดขึ้นมากำพลาแม่ไม่เคยเห็นหน้าแม่ตั้งแต่เกิดยายก็เอามาเลี้ยง ก็พวกเชื้อเจ้าแะไรก็เลี้ยงกันเลี้ยงจนกระทั่งอายุได้เจ็ดขวบตอนนั้นพระบรมศาสดาสสเดสด็จไปประทับอยู่ที่อนุปิยามบาวันอนุปยามบาวันแปลว่าเป็นป่าเป็นสวนแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตของอนุปยะเออพวกเจ้ามาลัลลก็ไปเฝ้ากันพวกเจ้ามัลลนี่ประหลาดอันหนึ่งว่าคนลพพระพุทธเจ้ามาก เป็นพิเศษอย่างน่าศึกษาเราก็สันนิษฐานว่ามันมีคําตอบอยู่ในข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับอดีตอะไรต่างๆหลายอย่างนะพระเจ้าเคยเกิดเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองอยู่ที่นี่ถึงเลือกไปปนิบัติที่นี่นะพอเด็กชายทัพพระมัลละบุตรเนี่ยมาเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นศรัทธาตั้งแต่เห็นเลยครับ ความจริงการศรัทธาตั้งแต่เห็นเนี่ยจะว่าเป็นเป็นความดีของใครพระสารีบุตรศรัทธาตั้งแต่เห็นกับพราอาศาชิใช่ไหมแล้วก็อีกหลายคนบางคนที่ศรัทธาตั้งแต่เห็นกับพระสาวกกับพระพุทธเจ้าก็มีในศรัทธาตั้งแต่เห็นกะส่วนหนึ่งก็คือเป็นบุคลิกโดยธรรมะของบุคคลนั้น สิ่งรู้ทีเจ้าถือว่านี้สําคัญมากแล้วคนส่วนใหญ่อาจจะมีศรัทธาตั้งแต่เห็นกันเยอะแต่เพียงแต่ว่าศรัทธาตั้งแต่เห็นของคนเนี่ยมันขึ้นไปสูงแค่ไหนคำว่าสูงแค่ไหนอย่างกรณีของท่านทัพพะเนี่ยพอเห็นนะศรัทธาถึงขนาดบวชเลยคิดบวชตามเลยมีศรัทธาตั้งแต่เห็นยังไม่ได้ทันได้ฟังบางคนอาจจะศรัทธาเพราะได้ยินชื่อเสียงเดี๋ยวพุทธว่ามีบางองค์ได้ยินชื่อเสียงก็ศรัทธา เป็นพวกโคสัพปะมาณิกาพวกนี้เป็นพวกรูปปบปะมาณิกาหรือรูขับปะมาณิกาศรัทธาที่เห็นเห็นว่ายังไงเห็นว่า ง, งามงามโดยลูกงามโดยธรรมก็เป็นเป็นรูปปะปะมาณิกางามโดยงามโดยลูกก็อย่างท่านวัคลินั่นก็ศรัทธางามโดยลูกสะหระกฏเดตันหาหน่อย อ่าสาท่าที่ปราลบงามโดยธรรมก็เช่นพระสัรีบุตรที่มีต่อท่านอาสชัชิอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโดยรูปเกี่ยวกับโดยธรรมเป็นรูปปรปประมาณิกาส้ารูขับนะหมายถึงความเศร้าหมองในทางการนุง่งห่มเราจริงๆนะอธิบายเป็นสองอย่างแต่ในในคัมภี์เนี่ยท่านอธิบายเป็นชื่อเสียงในคำภี์ผมหมายถึงในปุคละบัญญัติ นะในปุคลญญาภัณย์แต่ในที่อื่นแล้วสรุปแล้วเอาเป็นสองอย่างเอาเป็นสองอย่างทั้งชื่อเสียงและทั้งเสียงเป็นชื่อเสียงมันก็ดูแล้วก็น่าจะมีน้ําหนักทั้งคู่แล้วบางทไีไอ้ชื่อเสียงเนี่ยบางทีจะมีอิทธิพลมากกว่าเสียงเองไอ้ระบบโฆษณานเนีอยครับใช่มครัโฆษณาไปโฆษณามาไอ้ไม่ทีแรกกะว่ายางงูอย่างนี้หนักไปเข้าเลื่อมใสเลย บางทีก็สมโฆษณาบางทีก็ไม่สมโฆษณาแต่ยกตัวอย่างชัดๆก็อย่างพวกเราคนหนึ่งวันหนึ่งวันกระซิบผมบอกว่าเมื่อก่อนผมไม่ชอบเลยหลวงพ่อคูนี่ยเอ๊ะทําไปทํามาชอบไปได้ชอบไปได้อไไดเอ๊ะก็ดูท่านจะดีก็เมื่อก่อนก็กนกข้อมูลไม่มันก็เท่าที่รู้แล้วก็คิดเติมออกไปตามเรื่องตอนหลังเอ๊ะก็ดูท่านดีกัมาเลื่อมใส่ที่หลังอมีมีพวกเราคนหนึ่งกระซิบว่า ง, งั้นนะเป็นผู้ชายพวกเราคือไม่ใช่พวกที่เนี่ย โฆษณาเนี่ยมันมีมีผลมากถ้าจริงก็อย่างไม่จริงก็อย่างจริงเต็มที่ก็อย่างจริงไม่เต็มที่ก็อย่างศรัทธาแล้วก็คิดออกบวชก็ไปขออนุญาตยายเด็กอายุเจ็ดขวบไปขออนุญาตยายบวชบังเอิญยายนะก็เลื่อมใ ส, าสาศาสนาอยู่แล้วจะถามว่าบวชได้เลยอยู่ได้เลย เมื่อยืนยันกับยายว่าบวชได้ยายก็พาไปหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงรับแล้วก็ให้บวชและเชื่อไหมครับว่ายังไม่ทันอะไรเลยบรรลุเป็นพระหลานแล้วไม่ทันอะไรหมายถึงยังบวชไม่เสร็จเลยแค่ปลงผมเนี่ยคุกผมก็ไม่รู้ก็ปลงยังไงแต่ก็ว่ า, างี่ในในตำราว่าโกนผมในส่วนแรก ในนั้นเขาก็ไม่รู้จะแปลว่าไงกระจุกแรกบรรลุเป็นพระโสดาโกนส่วนที่สองบรรลุเป็นสกทาคาโกนส่วนที่สามบรรลุเป็นนาคาแล้วก็หลังจากนั้นก็โกนส่วนที่เหลือทั้งหมดผมขาดหมดหัวกิเลกก็ขาดหมดใจหมดสันดานบรรลุเป็นพระหลานยังบวชไม่เสร็จเลย อย่างนี้ถือว่ายัางอยู่ในขั้นการเตรียมบวชนะนะอยู่ในในขั้นของการดำเนินการบวชบรรลุยังกโกหกเฮ้โกหกเขาากเขามาดูเนี่ยพูดอย่างนี้เสี่ยงบาปหน่อยนะเดี๋ยวก็เลยเราโกนหัวไม่รู้ต้องตัดหัวถึงบรรลุเหมือนบางคนนนะตัดหัวถึงบรรลุเลยเป็นอันว่าชีวิตของท่านเนี่ยมีเวลาเหลือเยอะ อายุเจ็ดขวบเป็นอาลัยนแล้วถ้าพูดเป็นทะนวนก็คือว่าอยู่จบพรมอาจารย์บรรลุประโยชน์ตนแล้วนี่คือแค่บวชเพื่อจะไปแสวงหาประโยชน์ตนยังไม่ทันจะบวชเสร็จเลยบรบรูุแล้วเหลือเวลาอีกตั้งเยอะอายุร้อยกว่าปีร้อยยี่สิบปีโอ้โหนี่เป็นเวลาที่ ไม่ใช่มีไว้เพื่อตัวเองแหะ ว, วันหนึ่งขณะที่ท่านเล้นเข้าสมาบัติอยู่ท่านก็ปลาลอบเอเราจะ เ, าเวลาส่วนที่เหลือเนี่ยไปทำอะไรดีเนี่ยตอนบวชแล้วท่านก็อยู่แถวแถวราวลาวป่าเมืองแคว้นมนละนะฮะก็นึกว่าเราควรจะขวนขวายในกิจของโสรับใช้สงเป็นดีที่สุด นี่เขาเรียกว่าความคิดรับใช้หมนะู่คณะทำอะไรเป็นประโยชน์แก่สงฆ์ซึ่งก็หมายถึงพระพุทธเจ้าด้วยแหละท่านก็คิดว่าท่านอยากจะทำงานสองอย่างคือหนึ่งอยากจะทำพัตตุเทศทำหน้าที่แจกอาหารสงฆ์สองทำหน้าที่เสนาสนะคาหาปะปากกหมายถึงจัดแจงเสนาสนะนี่ก็คือปัจจัยสองนะเกี่ยวกับ อาหารกับที่อยู่ทีนี้ตรงนี้นะเมื่อไปดูรายละเอียดแล้วแมมีบทอธิบายเพี้ยรึก ค, ค, คือหน่อยครับอที่ว่าจัดเนี่ยหมายว่าคนจะมาติดนิมนต์พระไปฉันเนี่ยท่านจะเป็นคนจัดคิวว่าเลือกใครไปยังไงหรือว่ามาเรียงพระท่านก็นจะจัดและจัดที่นั่งให้พระว่าจะนั่งยังไงยังไงท่านมีพรสวรรค์ทางนี้เป็นพิเศษเราก็หลับตาเนึ่ยโอ้ถ้าสมมุติว่าเกิดมีการประชุมพระทํานองที่ ที่พุทธมณฑลเงีนะแล้วมีพระมาเป็นพันจากเหนือจากใต้โยมก็มาจากทั่วสาท่านคงจัดแล้วก็บอกโยมนี่แกงเหลืองนวนไปทางนน้นส้ตมตำไปทางนี้แกงโอ้ออกไปทางนน่นอะไรเงี้ยท่านคงชี้ถูกเลยจัดแจงให้เสร็จแล้วควรจะจัดยังไงแหมนี่ยังก็เป็นเจ้าของพระตะคารมาหลายชาติท่านท่านละเอียดแล้วเก่งเรื่องพวกนี้มาก ไว้ด้วยแล้วก็ถึงข้าว่าถ้ามีการจะต้องจัดแจกอาหารแก่สงในหลายๆที่และจำนวนสงเยอะๆและท่านคนเดียวท่านำไงไม่อยากสำหรับท่านท่านก็เข้าสมาบัดแยกร่างมาโนมยิธอิองค์หนึ่งไปนู่นองค์หนึ่งไปนี่ พูดแล้วก็เหมือนกับโกองอีกนะแต่ว่าเราเราไม่ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกเราคุกคลีอยู่กับวงการธรรมะกับสังประสองค์องค์เจ้าที่มีคุณงามความดีพิเศษพอสมควรเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะถ้าไม่เชื่อว่าเป็นไปได้แล้วก็จะต้องไม่เชื่อกรณีอื่นอื่ น, อ, นอีกหลายอย่างแต่นี่คนมีฤทธิ์เนี่ยทําได้ไม่ไม่ไม่ยากเลยนั้นนี่ท่านทําทั้งอายุเจ็ดครัวและเป็นเนเนเนี่ย ก็คงจะเป็นใครก็คงจะเห็นเป็นเนนเล็กๆแต่ว่ามาเป็ น, ปนผู้จัดการอํานวยการนะฮะอำนวยการนทาเองแล้วก็บอกกล่าวคนที่มาช่วยเหลือท่านให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเรื่องเสนาธนามนกัว่ามีพระอาคารตกกะมาใครจะอยู่ที่ไหนยังไงใช้อะไรท่านจะจัดแกงเรียบร้อยหมดเป็นที่ถูกใจก็เลย ท่านก็เลยเป็นที่รู้จักที่รักของโยมที่จะทําบุญแล้วก็เป็นที่รักที่รู้จักของพระที่เป็นเนื้อนาบุญและเพราะเหตุนี้แหละเคยมีคนเข้าใจผิดท่านแล้วก็ถึงการเรียกว่าใช้แผนตอกปลกกระด้านอันนี้เรื่องเรื่องปรากฏในวินัยอาบัติ 9. อังกัติเสษข้อแปดกับข้อเกอังกัติเศษนะไปดู ว่ามีพระภิกษุสองคือท่านเมดสิยะภิกษุกับท่านภูมิมัชกะสององค์นี้เป็นพระบูตชนและพระไม่สูด่ดีคนไม่เลื่อมใสก็เข้าใจว่าท่านทัพพระเนี่ยคงจะไปพูดให้โยมเข้าใจรู้ว่าตัวเองไม่ดีอย่างนง้นอย่างนี้เลยไม่มีใครนิมนจะถวายอะไรก็ ถวายของไม่ประนีได้ก็นึกว่าต้องเป็นท่านองค์นี้จึงวางแผนใส่ร้ายไปสมคบว่าจ้างภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อว่า ah นางเมตติยาภิกษุณีให้ไปโจดไปโจดหมายถึงไ้ฟ้องท่านทัพพระว่าทัพพระทัพพระเนี่ยประราชิกประพฤติผิดกับตัว มามข่มขืนตัวเรื่องก็ทราบไปถึงพระพุทธเจ้พาพระเจ้าสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นการใส่ร้ายจึงสั่งให้ศึกคือพิษุนีถ้าใส่ร้ายเนี่ยจะต้องศึกโบดิกไม่ได้ศึกออกไปแล้วก็ปรับผิดอาบัตสังฆาธิเศษแก่พระที่เป็นผู้วางแผนให้ยุยงนี่เป็นอีกเป็นครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่ง ก็พระสององค์นั่นแหละครับหลังจากที่พิสุนีนั้นศึกไปแล้วตัวก็าเขาเรียกว่าโจดแบบอ้างเลดวันหนึ่งน่ะพระสององค์ไปเห็นแพสองตัวมันเป็นสัตว์กัน mm hmm. ก็ทําทีเป็นพูดว่าแพตัวผู้คือพระทัพพระแพะตัวเมียคือนางเมตติยกากาลังประกอบเมถุนกันก็พูดทําให้เหมือนเป็นเรื่องจริงทํานองว่าถ้ า, ามาทวงก็จะบอกที่กันหมายถึงอย่างงี้ แล้วก็เกิดการลือกันแทรกเลยคนไม่รู้ก็นกึกว่าจริงพระพุทธเจ้าก็เรียกมาถามก็ได้ความว่าโจดอาบัตแบบอ้างเล่จึงทรงบัญญัติสาบทห้ามทําอย่างนี้ใครทําอย่างนี้อาบัตสังคติเศสเนี่ยก็สองครั้งนะที่โจดอาบัตพระลาหนในแง่ของการตีฆาทางอาบัตเนี่ยไม่ถึงประราชิกแต่ว่า ค่าทางกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เล็กน้อยบางทีทางอาบัตินิดเดียวแต่ค่าทางกรรมและเรื่องใหญ่เราลองคิดดูฮะไปใส่ลายพระหลานเนี่ยต่อไปเป็นยังไงไม่ดูอาจจะมีสภาพเหมือนกับท่านกุตานะที่เราเคยพูดถึงแล้วก็จะต้องพูดถึงในที่นี้กันอีก ห, หนึ่งก็ได้เกิดเรื่องราวที่ชวนเข้าใจผิดพอไปใส่ลายพระถึงบางทีไม่ใจพระหานเป็นพระที่อยู่ในศีลธรรมบริสุทธิ์เนี่ย ยังเป็นบาปมากแต่นี่ไม่ได้พูดไปถึงอนาคนแต่เราก็นึกว่าควรจะต้องมีวิบากรุนแรงในในสังยุตตนิกายใ น, นในคุตตะกนิกายถึงมีพระสูตรบอกไว้อันหนึ่งว่าท่านทัพพะเนี่ยเมื่อปรินิพานแล้วเป็นอรหันต์ที่ไม่มีธาตุเหลือนะหอขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ บรรดาเตโชกสินให้ไม่สลีละทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้แต่กิ่เท่าหายสาบสูญหมดเลยเราก็ยังไม่ได้คำตอบว่าเพราะเหตุใดท่านจึ ง, จงผ่านไปถึงองค์ที่หกองค์ที่หกคือท่านสัมภูตะท่านสัมภูตะเป็นชาวเมืองราชคลึบุรพรามมหาศาลก็ หลังจากเรียนวิชาการทางโลกสำเร็จแล้วก็อยู่ๆก็พาเพื่อนสามคนไปบวชเพื่อนสามคนเนี่ยในปฏวบิดกรระบุชื่อท่านภูมิชาท่านชัยเสนท่านอภิราทะไปบวชกันพร้อมกันรวมเป็นสี่ก็ดูก็ไม่มีอะไรโลดโผนไปเรียบๆเนี่ยนะครับแต่ว่าไปตามคันลองพอดีพอดีเมื่อ ไปบวชและสําหรับท่านสัมภูตาเนี่ยท่านประสบความสําเร็จในการบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยอํานาจของการเจริญกายคตาสติกรรมฐานาในชั้นแรกเนี่ยกายคตาสติเป็นตำนฐานผมคนเล่ฟันหลังเนื้อแต่ความหมายของคําว่ากายคตาสติเนี่ยที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยขอให้เข้าใจมีสองความหมายความหมายทีหนึ่งหมายถึงอาการฐานทีสอง ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อจ น, จนกระทั่งถึงเยื่อในกระดูกในเรียกกายคตาสติอย่างที่วิสุตติมาเรเขเลียกแล้วเราก็ติดวิสุตติมาเรเขเลียกกันมาอีกอย่างหนึ่งกายคตาสติหมายถึงกายญานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกบับเรียกกายคตาสติหมดเพราะกายคตาสติเนี่ยแปลว่าสติที่กําหนดกายลมหายใจเข้าออกก็เป็นอาการกายอันหนึง่ง สติใดที่มาอบรมที่ลมสตินั้นเรียกกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายเพราะฉะนั้นความหมายอย่างกว้างที่สุดอีกอันหนึ่งกายคตาสติคือกายานุปั ส, สนาสติปทานก็ได้ความว่าท่านองค์นี้บรร ล, ลุเป็นพระอหรหันต์ด้วยกายานุปัสนาสติปทานอันสืบมาจาก เริ่มทีเดียวนั้นกําหนดผมขนเล็บแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าช้าป่าช้าที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นป่าช้าอยู่ในเมืองราะจะคือชื่อว่าสีตะวันที่แปลว่าป่าเย็นนะนะหมายถึงป่าช้าเย็นคือบองค์เย็นแบบบรรยากาศนะมั้งอยู่เยือกเย็นวังเวงชวนขนฟองตะยองกล่าวเรียกว่าสีตะวันท่านก็ไปเจริญกรรมฐานอยู่ที่นั่น เกือบจะเรียกได้ว่าไปประจําอยู่ที่นั่นนี้ในระหว่างที่ท่านกําลังทํากรรมฐานอยู่เนี่ยวันหนึ่งกําลังเข้านั่งกรรมฐานอยู่นั่งอย่างนั่งที่เราเข้าใจเนี่ยนี่ยก็บอกว่าวันนั้นนะ่ะท้าเวสวันผ่านมาเห็นท่านนั่งกรรมฐานด้วยความตั้งอกตั้งใจก็เลื่อมใสก็ไม่อยากไม่อยากอยากคือคือหรือจะพูดว่าอยากให้การคุ้มครองท่าน อยากจะทำบุญให้การกุ้งกรองท่านก็เลยสั่งเทวดายักษ์ว่าให้ช่วยดูแลรักษาท่านหน่อยจึงกว่าท่านจะออกจากกรฐานสั่งสองยักษส์สองออสองต้นนะฮะยักษ์ก็เฝ้าดูแลระวังภัยให้ไม่ให้ใครมาทําร้ายจนกระทั่งท่านออกจากจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครทําไมมานั่งอย่างนี้ก็บอกว่าท้าวเวสสวันณ เห็นท่านเข้าเลื่อมใสอยากจะให้การรักษาท่านโดยธรรมก็จึงสั่งให้เราสองคนเฝ้าอยู่ท่านก็บอกโ อ, โอ้ไม่ต้องเฝ้าหรอกสําหรับคนประพฤติธรรมเนี่ยเพราะเรามีมีเครื่องเฝ้ามีผู้เฝ้าอยู่แล้วอะไรเป็นเครื่องรักษาในทานกระตอบเป็นแบบธรรมะลึกเลยอะท่านบอกว่าสิ่งที่รักษาให้ปลอดภัยดีกว่าท่านเรามีอยู่แล้วสิ่งนั้นคือ อะไรฮะอะไรเป็นเครื่องรักษาสติเป็นเครื่องรักษาท่านบอกว่าท่านมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่แล้วดีกว่าท่านก็ไม่ขอรุกวกนหรอกนะอนุโมทนาให้กลับไปเถอะใครมารักษาอย่างนี้จะทำให้ใหท่านจเจริญในธรรมไม่เคยจะได้ได้ํมไปกลายเป็นอย่างนั้นก็หลังจากไล่ยักษ์ไปแล้วก็บอกว่าบรรลุเป็นพระอราหันต์ในตอนนั้นเองตอน ก่ไล่แล้วก็กําหนดวิปัสนาบรรลุเป็นพระละนี่ก็มีเท่านี้นะอีกองคหนึ่งครับองค์นี้เรารู้จักชื่อท่านดีแต่ไม่รู้รายละเอียดไดบางอย่างอง์ที่เจ็ดนะ่ะชื่อว่าพันลิกะแต่ในใ น, ในเรียกสองอย่างนะในบาลีบางทีเรียกพันลิกาบางทีเรียกพันลิยะในนี้เรียกพันลิยะพ็เอยถึงพันลิกาเนี่ยเรานึกถึงใครด้วย พลิกะคู่กับใครตปุตสากับพันลิกะเป็นเรื่องเดียวกันเกี่ยวข้องกันพนลิกะเนี่ยหรือภรรยะเนี่ยเป็นน้องชายของตปุตสะนั่นเองตปุตสากับพันลิกะได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะเมื่อยังเป็นคารวาสอยู่ด้วยกันร่วมกันอันหนึ่งคือ สองคนตำแหน่งเดียวกันนะคือเป็นผู้เลิศ ก, กว่าคนอื่นในข้อที่ถึงสาระก่อนถึงแม้ว่าจะถึง อ, อ่สาระสองอย่างพระพุทธกับพระธรรมก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นคนที่ถึงก่อนเออก็เลยเล่าตอนที่ยังไม่ได้บวชให้ฟังคือทั้งสองท่านเนี่ยท่านเป็นลูกพ่อค้า ที่ประสบความสาเร็จทางธุรกิจแล้วก็ได้ทําธุรกิจให้กับพ่อและพะมา่าเนี่ยเขาเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนพมา่าคนพมา่าหรือคนมอนเนี่ยนะจริงๆควรจะเป็นมอนเมื่อยุคนั้นพมา่ายังไม่มาที่นี่คนมอนอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็เชเวดากองเนี่ยเป็นเจดีย์ของมอนมอนสร้างขึ้น ก็ทำการค้าแล้เดือนนี้ก็ยังพูดมันมีเส้นทางที่มาจากพม่าแล้วก็ผ่านมากระทั่งมาถึงทางพุทธกยาเนี่ยที่มาพบพระพุทธเจ้าตอนที่พระผู้มีรภาคสเสวยวิมุตติสุขถึงสัปดาห์ที่เจ็บที่ใต้ต้นราชายตนะต้นเกศถ้าใครอยากรู้อยู่ตรงไหนพรุ่งนี้ไปดูมีมีแผนที่เนี่ยวันนี้ไม่บอกพระพุทธเจ้าสเสด็จ ออกจากสเสวยวีมุตติสุขก็พบพี่น้องสองคนนี้นำเอาสตุก้อนสตุผง ม, มาถวายเป็นอาหารสะเบียงนะที่ทำอย่างประนีตตามภาษากลมีนจะกินมาถวายพระพุทธเจ้าและตรงนี้นะผมก็อยากจะเน้นไว้อันหนึ่งว่า เราเคยมีข้อถามข้อทำนองบางทีก็ไปค้านประสบการณ์ของคนบางคนมาตลอดเวลาเพราะว่าถ้าคนเรียนธรรมะหน่อยก็บอกว่าคนอดอาหารเนี่ยแค่เจ็ดวันนะคือสติๆๆมาร์ก็พูดแล้วก็เลยบางทีบ้านเข้าใจไปว่าเกินเจ็ดวันแล้วจะต้องตายความจริงเจ็ดวันในนั้นพูดด้วว่าอาหารกินเนี่ยมันดำรงอยู่เจ็ดวัน เต็มที่พอสบายๆเนี่ยนะสําหรับคนทําสมาธิแล้วก็ไอ ไ, ไ, ไอออาหารที่เรากินเข้าไปย่อยแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้พูดว่าตายแล้วถ้าพูดถึงตายไม่ตายเนี่ยคนอดอาหารได้เป็นเดือนก็ได้และครั้งนี้แหละครับที่พระพุทธเจ้าทรงไม่ได้เสวย อ, อะไรเลยตั้งแต่ทรงเสวยข้าวมัทุบา ญ, ญาติ สี่สิบเก้าก้อนของนางสุชาดาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญจลาซึ่งเราได้ไปไปเห็นมาแล้วด้อยู่ตรงไห น, นหลังจากนั้นก็คืนวันนั้นน่ะบรรลุเป็นพระกุทธยา พอบรรลุเสร็จแล้วก็ทรงสวยมุทิสุขต่อกันเจ็ดสัปดาในในเจ็ดที่มีโคนต้นโพนับเป็นที่หนึ่งแล้วก็ที่อื่นอีกเจ็ดที่หกแล้วก็ที่ที่สัปดาห์ที่เจ็ดคือที่นี้ไม่ได้สวยอะไรเลยสี่สิบเก้าวันอยู่ด้วยธรรมะจริงๆทีนี้เหตุที่ ตาปุตสาภเลิกะจะได้มาถวายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมืออื่นนะขณะที่กองเควียนกกำลังขนสินค้ามาผ่านมาทางนั้นท่านว่างนี้ครับท่านว่าหมายถึงในคำพีเล่าอยู่ๆเควียนก็หยุดรถติดทั้งที่ถน น, นก็ปกติ ด, ดีทุกอย่างไม่ใช่ติดเพราะอะไรอื่นเลย ที่เป็นเหตุที่เห็นได้แต่ที่ติดเนี่ยติดรอดอะไรเป็นเหตุเห็นไม่ได้เพราะว่ามีลุคเทวดาตนหนึ่งเป็นเทพธิดาอดีตเนี่ยเคยเป็นแม่ของสองคนมาแต่ชาติปางก่อนแล้วก็ได้มาเกิดอยู่ที่เนี่ยห้าอัห้าอภาพแล้วนะคือตายแล้วก็เกิดซ้าอยู่ที่เดียวตรงนี้ก็ได้เห็นพุทธเจริยาเห็นอะไรเยอะ แล้วก็รู้ในพุทธเจ้าไม่ได้ฉันเลยแล้วก็บองเออลูกมาก็อยากให้ลูกได้บุญนะก็ใช้เทวฤตให้ลถ ใ, ให้ลดหยุดพอลดหยุดนางก็เอทำยังไงถึงจะคุยกับลูกได้ก็ไปเข้าสิงบุญหลุดคนหนึ่งในคณะเดินทางเนี่ยก็อบอกว่าเราเนี่ยเป็นใครลดหยุดในหยุดเพราะเราเพราะต้องการจะให้ลูก ของแม่ที่ได้เคยอยู่ร่วมกันมาเป็นแม่เป็นลูกกันมาได้ทำบุญกับพระผู้มีพระภาคผู้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ทรงเสวยอะไรเนี่กาลังทรงออกจากวิมุตติสมาบัตรวันออกเนี่ยถือเป็นเข้าวันแรกของสัปดาห์ที่แปดนะให้ลูกนำเอาโพชนะไปถวายท่าน ลูกก็ตื่นเต้นดีใจนำสตูก้อนสตูพงไปถวายให้พระผู้มีพรภาคเพื่อสเสวยเสร็จแล้วก็ขอถึงสารณะแล้วก็ขอของอย่างหนึ่งแปดหน่วยไปเป็นที่ ล, ลึกขอทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะขออะไรนะพระพุทธเจ้าทรงเอามือลูกพระพระเสียร ก็ได้พระเกตมาแปดองค์ด้วยกันที่ที่พม่าเขาเชื่อว่าเอาไปประจุไว้ที่เจวีดากองส่วนพระเกตที่เหลือนะ่ะตอนปรินิพานนะผมไม่ไหม้นะเทวดานำไปคนละองค์ละองค์ในจักรวาลเนี่ยผมขนฟันในพระตะบดกไม่มีเล็บแต่คัมพีหลังๆว่ามีเล็บด้วยเอาไป บูชาต่างที่กันแต่อันรายการผมเนี่ยก็ได้ไวตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดแฝงศาธนาก็นำไปบูชาทีนี้ในคำพีเนี่ยบอกว่าบ้านเกิดของทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่อสิตันชนะนครให้รู้ว่าดีไหนเป็นนครชื่อที่ไม่รู้อยู่ในแคว่นอะไร เลยพ่อมาเอาไปเป็นประโยชน์เลยไม่ได้บอกว่าล่างกุ้งอ่ะล่างกุ้งตอนนั้นยังไม่มีอมืก็เลยหาช่องคานพ่ามาไปขัดคอพ่อมาไปได้จนแบบนี้จานนี้เมื่อเรียบร้อยเลยเนี่ยก็เดินทางกลับแล้วตอนหลังก็มาอีกคราวนี้มาพบพระพุทธเจ้าเมื่อทรงประกาศศาสนา แล้วทรงประทับอยู่ที่เมืองราชครึ่ก็เห็นจะเราๆพรรษาแรกพรรษาที่สองคราวนี้ได้มาฟังธรรมขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมปรากฏว่าพี่ชายได้บรรลุเป็นโสดาบันแต่ไม่บวชตะปุตสบรรลุโสดาบันไม่ได้บวชส่วนน้องชายบรรลุธรรมด้วยแล้วก็ได้บวช เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและเมื่อได้บวชแล้วก็ได้บำเพ็ญความเพียรจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในธรรมวีนานี้นี่ตอนที่บรรลุนี่ก็ไม่ได้ระบุว่าบรรลุเร็วบรรลุช้าแต่อย่างไดทั้งนี้อดีตประวัติถอยไปสมัยพระพุทธสิกีเนี่ยสองคนนี่ได้เคยเกิดเป็นพี่น้องกันมาแล้วเหมือนกัน และได้เคยทำบุญร่วมกันคือทำบุญกับพระพุทธสิกีและได้ทำความปรารถนาว่ า, าวันมีครั้งหนึ่งที่ไปเลี้ยงอสาหารแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระผู้มีพภาค พ, พุทธสิกีเป็นประมุขแล้วก็ทำความปรารถนาว่าขอให้ข้าพระองค์ทั้งสองเนี่ยได้ถวาย อาหารเป็นมื้อแรกแกบุคคลผู้บรรลุคุณธรรมเช่นกับพระองค์ในอนาคตข้างหน้านี่ก็เป็นการอธิษฐานไว้แล้วก็ได้มาประสบความสำเร็จจริงตามปฏิฐานในสมัยประพุเทเจ้าของเราต่อไปองค์ที่แปดองค์ที่แปดชื่อวีระที่แปลว่ากล้านะครับแล้วก็กล้าสมชื่อจริงๆนะครับเพราะว่า ท่านองค์นี้นะ่ะเป็นคนมีคุณสูงมีกำลังกายก็มากด้วยแล้วก็มีปฏิภาณมีสติปัญญาเฉียบแหลกดีใช่มครับว่ามีชาวนะดีชาวนะว่องไวก็เลยกล้าทั้งใจแล้วก็กล้าทั้งร่างกายกล้าทั้งสองส่วนสมชื่อเลยท่านว่ายอย่างนั้นท่านผู้นี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีเป็นลูกของอมตะของพระเจ้าประเสิทธิโกศ ก็แต่งงานมีลูกหนึ่งคนเมื่อมีบุตรแล้วก็บารมีเก่ามสะกิดเบื่อชีวิตกรองเลือนไอ้เรื่องนี้ก็ก็พอเข้าใจได้นะเพราะคนบางคนก็ก็เบื่อไอ้เบื่อเบื่อแบบนี้เบื่อแบบธรรมะนะไม่ใช่เบื่อเบื่อหนก็รู้สึกมันไม่มีสาระ โอ้ย okay. ทายังไงถึงจะไปหาสาระอะไรได้ก็เห็นว่า mm hmm. ควรจะมีแต่การบวชเห็นคนบวชเขาก็ชีวิตเา็าประสบความสำเร็จกว่าเราไปบวชก็เยอะก็จริงตัดสินใจบวชพอไปบวชแล้วเนี่ยภรรยาไม่หยากให้บวชก็พยายามอย่าก็อยากบวชพยายามไปพยายามมาปรากฏว่าเรียกว่าไงดี จะไปทำคนอื่นให้เสือเรียกว่าทำโทษดระบูชาปุ่นไม่ใช่ทำคุณบูชาโทษในที่สุดภรรยาเลยเข้าวัดจะไปเอาสามีออกออกนอกวันตัวเองเลยเข้าวัดตัเองเลยเลยไปบวชได้เองแล้วก็ปรากฏว่าได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ตามไปอีกคนนึงทั้งสามีภรรยาบรรลุเป็นพระอราหันต์บวชเป็นพระชายพระหญิงไปได้วยกันทั้งคู่นี่ก็เป็นเรื่องของท่านนะ ต่อไปท่านปิรินทวัตชะเร า, า ก, ก็พูดถึงท่านแล้วเหตุเหมือนกันท่านปิรินทวัตชะก็ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศทางว่าเป็นผู้เป็นที่รักของเทวดาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าชกพัฒน์ชี้ทางให้คนไปสวรรค์กัน เ, ย, เยอะเทวดาเขาก็ยังจําได้ไม่ลืมบุญคุณก็ยังรักใคร่นับถือท่านอยู่แม้จะ เกิดที่นั่นที่นี่จนมาเป็นพระเป็นเจ้าข้ามกันมาหลายชาเทธรดาเขาก็ยังจําบุญคุณเอาไว้ได้ท่านปิรินทวัชชะเป็นชาวเมืองสาวัตถีครับแล้วก็เกิดในสกุลพราหมณ์ก็เป็นพราหม์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยและท่านปิรินทวัชชะนั้นเป็นคนที่ชอบชีวิตการบวชมาตั้งแต่เดิมแล้วแต่ก่อนหน้านี้นะ่ะ พระพุทธศาสนายังไม่เกิก็ไปบวชเป็นปริภาชกไปล่ําเรียนวิชาทางขลังสมัยก่อนอินเดียเขามีวิชาทางขลังแล้วก็เป็นวิชาขลังที่ทําให้ปิรินทวชานั้นได้รับความสำเร็จในทางสังคมการบวชมากไอวิชาที่ว่านั่นคืออะไรหนึ่งสำเร็จวิชาคันธาระ ที่บาลีเรี่าคันธาริวิชาแปลว่าวิชาที่ของชาวคันธาระทําให้เหาะได้คือในเรื่องฤทธิ์เนี่ยอในคมภี์ถึงแจกว่าฤทธิ์มีหลายอย่างอย่างคนเหาะได้เนี่ยเหาะนี่มันมีทั้งเหาะเห็นตัวเหาะไม่เห็นตัวนะแต่เหาะเหาะเหาะเห็นตัวทำไมต้งเหาะเหินให้เห็นตัวเนี้ยเหาะไม่เห็นตัวเป็นอธิสมานะมองไม่เห็น หายตัวเขาแบบหายตัวอยู่ๆก็ปุ๊บอยู่โน่นแหละหายจากที่นี่ไปโปลดที่โน่นหายจากที่โน่นไปโปลดที่นี่อย่างนั้นคือแบบไม่เห็นตัวแต่ว่าพวกพวกวิวชาทรนเราคงเคยได้ยินนะพวกนี้เขาเคาะด้วยลิตก็มีเคาะด้วยวิชาก็มีอย่างไอ้ไอที่เรานั่งสมาธิแล้วตัวลอยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฌานนะครับถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของวิยา ความสามารถทางจิตความสามารถทางคาถาอาคมเนี่ย น, นะหายตัวก็เหมือนกันพูดๆแล้วก็ไม่เคยเจอกระตาทำเองก็ไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงให้เชื่อแต่ในในสมัยก่อนเนี่ยเขายอมรับ